พระพุทธเจ้าพระนิพนส์สมเด็จพระยาสังวรสังเดชประสังคาราชสกุลมหาสังฆปรินายกภูมิอสุรกายอบายภูมิอีกประเภทหนึ่งคืออสุรกายแปลว่ามูอสุรหรือกายที่ไม่ใช่ของสุร คำว่าอสุรหรืออสูรไทยเรามักเข้าใจว่าได้แก่พวกยักษ์ตามเรื่องรามเกียรติ์หรือในเรื่องอื่นซึ่งมีลักษณะดุร้ายกินคนและไม่ใช่คนดังที่เรียกว่าอาัศมันตุแต่ตามดีกาอภิธรรมอมัศมันตุท่านอธิบายว่าอสุรมีสองจำพวกคืออสุรเปรตและอสุรที่เป็นข้าสิศิ์ของเทพและท่านแปลคําว่าอสุรไว้สองอย่างคือ มีใช่สุระอันหมายถึงเทพได้แก่ไม่ใช่เทพคาว่าสุระท่านแปลว่าเล่นหมายถึงสวยสุขพวกเทวดาสวยสุขด้วยทิพยสมบัติจึงเรียกว่าสุระอสุรมีภาวะตรงกันข้ามคือสวยทุกข์เท่ากับเป็นเปรตชนิดหนึ่งจึงเรียกว่าอาสุรเปรตอีกจำพวกหนึ่งไม่ได้หมายถึงอสุรที่สวยทุกอย่างนั้น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 แปลว่ามิใช่สุระหรือเทพมีความหมายว่าไม่ใช่พวกเทพเท่านั้นในอบายยภูมินี้ท่านสแสดงว่าหมายถึงพวกอสุระเปรตจําพวกเดียวน่าจะมุ่งให้มีความหมายเฉพาะดังกล่าวจึงไม่เรียกว่าอสุระเฉยแต่เรียกว่าอสุรกายอาจแปลว่ามีการไม่เหมือนอย่างสุระหรือเทพหมายถึงพวกผียักษ์เลว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 มีรูปร่างต่างๆกันแต่ก็พิคลพิการต่างๆกันจำพวกนี้ก็จะดูตรงกับอสุรเปรตที่นับเข้าในอวายภูมดังกล่าวแล้วส่วนพวกทิพอสุรกายในไตรภูมิพระร่วงพรนานาไว้มากตรอจจนถึงพวกที่เป็นข้าสิบของเทพ ร, รวมอวัยภูมสี่คือหนึ่งนิรยะหรือนรกสองติรฉานโยนิหรือกาเนิดติรฉานสา ปิติวิสยะหรือแดนเปรต 4. อสุรกายหรือกายอสุรเป็นทุกขติหรือกติที่ชั่วเลวอกุศลกรรมนาให้เกิดในทุกขติเหล่านี้กําเนิดดิรลฉานเห็นกันอยู่ด้วยตาส่วนอีสามภูมิจะมีจริงหรือไม่เพียงไรในพระพุทธศาสนาชั้นบาลีโดยมากแสดงแต่ชื่อในชั้นอจักกถาลงไปมีแสดงโดยละเอียดอาจอธิบายตามความเชื่อเก่า ของครามหรืออาจปรับปรุงขึ้นให้มีความกลมกลืนกับแนวพระพุทธศาสนาแต่บางเรื่องยิ่งอธิบายมากไปก็ยิ่งทําให้ไม่น่าเชื่อสู้คงไว้แต่ชื่อหรือมีคําอธิบายย่อๆให้มีความกว้างไม่ได้เพราะชื่ออวัยภูมิเหล่านี้ล้วนสองกติที่ไม่ดีทั้งนั้นทั้งคําและความจึงอาสรุปได้ว่าทางพระพุทธศาสนาแสดงอบัยภูมิสีว่า เป็นผลของอกขุศลกรรมดังที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรต่างๆใช้ชื่อเก่าซึ่งคนเข้าใจกันอยู่แล้วในความหมายรวมๆว่าเป็นคติที่ไม่ดีแต่โดยมากมิได้รับรองอธิบายเก่าๆของชื่อเหล่านั้นเลือกรับรองหรืออธิบายใหม่ตามหลักพระพุทธศาสนาหรืออ้างแต่ชื่อขึ้นมาปล่อยให้คําและความของชื่อนั้นๆอธิบายตัวเองเพราะคนก็เข้าใจได้ทันทีแล้วว่าไม่ดี ยิ่งอธิบายก็ยิ่งเข้าใจช้าหรือไม่เข้าใจเพราะพระพุทธศาสนามุ่งอธิบายปฏิบัติธรรมแก่คนฟังในปัจจุบันอ้างถึงอบายภูมิก็เพื่อให้คนละกรรมชั่วในเวลาเดียวนี้การละกรรมชั่วจึงเป็นข้อสําคัญไม่ต้องเสียเวลาเถียงกันว่านารกมีจริงหรือไม่มีจริงนึกดูว่าความชั่วในตนมีจริงหรือไม่มีจริงดีกว่าถ้าพบว่ามีจริง ก็ควรเข้าใจว่านี่แหละอวัยภูมิและพยายามละเสียไม่ทำอีกต่อไปมนุษยภูมิเจะกล่าวถึงมนุษยภูมิต่อไปตามความคิดเก่าแก่จักราวาลคือโลกนี้มีเขาสินเนรูเป็นแกนกลางมีภูเขาล้อมรอบเป็นเจ็ดชั้นเรียกว่าสัตตปริพันธบันพศมีมหาสมุทรคั่นในระหว่างเจมหาสมุทรเรียกว่าสีธนดร มหาสมุทรทั้งเจ็ดถัดออกไปก็มีมหาสมุทรโดยรอบมีทวีปใหญ่ทั้งสี่อยู่ในสี่ทิศแต่รัทวีปใหญ่มีทวีปเล็กเป็นบริวารอีกเป็นจํานวนมากดูมันอย่างมีการวางแผนผังไว้อย่างเป็นระเบียบอบายภูมิทั้งสี่อยู่ภายใต้โลกนี้เองบ้างอยู่บนพื้นโลกบ้างเว้นแต่โลกการตลิกกานรกซึ่งอยู่ระหว่างจักรวาลแต่ก็มีกล่าวว่าสัตว์นรกจําพวกนี้ก็ขอบจักรวาลอยู่ก็มี อบายภูมิจำพวกเปรตและอสุรกายแม้จะอาศัยอยู่บนพื้นโลกแต่ก็เป็นอทิตสมานะกายแปลว่ามีกายไม่ปรากฏแก่ตามนุษย์ส่วนจำพวกสัตว์ยกระฉาณนานาชนิดเห็นกันอยู่โดยทั่วไปแล้วพวกมนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในทวีปทั้งสี่และทวีปเล็กทั้งหลายแต่ที่เห็นกันแน่นอนคือชาวชมพูทวีปซึ่งเป็นต้นตำราภูมิศาสตร์โลกดังกล่าวเองส่วนมนุษย์ในทวีปอื่น น่าจะเป็นมนุษย์ในความนึกคิดหรือฌานปัญญาของผู้เป็นต้นตำราจะเห็นได้ชัดดังที่พนานาถึงในอุตรกรุทวีปเรื่องจักรวาลโลกนี้ได้กล่าวมาแล้วตลอดถึงกำเนิดมนุษย์ตามความคิดเก่าแก่ซึ่งติดเข้ามาในอคคันยสูตรในพระพุทธศาสนาฉะนั้นในที่นี้จะกล่าวถึงป่าหิมพานซึ่งเป็นป่าใหญ่ในชมพูทวีปเรียกว่าหิมวันตาประเทศก็มี คนไทยเราคุ้นต่อคานี้มาเป็นเวลาช้านานในเวสสัมดอนชาดกหรือมหาชาติได้มีกล่าวถึงในสองการคือกันหิมพ่านและวนประเวทป่าหิมพ่านป่าหิมพ่านตั้งอยู่ในชมพูเวียบคือในด้านเหนือของอิเนเดียมีภูเขาใหญ่ที่มีชื่อเสียงชื่อว่าหิมวันต่บันพศแปลว่าภูเขามีหิมะ จะตรงกับชื่อที่เรียกในบัตรนี้ว่าภูเขาหิมาลัยในอัตถกถาพันนาไว้ว่าชมพูทวีตนี้เป็นมหาสมุทรสี่ส่วนเป็นแผ่นดินมนุษย์อยู่สามส่วนเป็นป่าหิมพานหรือป่าหิมวันตะบันพศสามส่วนรวมเป็นสิบส่วนในเขตหิมวันนั้นมีสระ์ใหญ่เจ็ดคือหนึ่งอโนตัตะหรืออโนดา 2. กันพะมุนทะสรถกาะ สฉชั้นพันตะ 5. ห้ากุณาละหมันทากินิเจ็สีหับปะปาตะสซาอนุดาสมีภูเขาทั้งห้าแวดล้อมคือหนึ่งสุทัศนกูดสองจิตตะกูดสกาลกูดสคันธมาธนากูดหเกลาสะกูดสุทัศนกูดล้วนแล้วไปด้วยทองโค้งเป็นวง ภายในมีสังขานเหมือนปักกายื่นออกไปรุ่นสโนดาดจิตตกูดล้วนแล้วไปด้วยสัพพารตนะการกูดล้วนแล้วไปด้วยหินเขียวดังดอกอัญชันคันธมาตนะกูดล้วนแล้วไปด้วยสานุภายในมีสีดังทั่วสานุปแปลว่าที่มีพื้นเสมอบางแห่งให้คําแปลว่าป่าไม้สําหรับในที่นี้บางท่านแปลว่ามสารคัละแก้วลาย อบอวไปด้วยกลิ่นทั้งสิบคือกลิ่นรากกลิ่นกัญกลิ่นกระพี้กลิ่นใบกลิ่นเปลือกกลิ่นกระท้อเปลือกกลิ่นรสกลิ่นดอกกลิ่นผลและกลิ่นลำต้นหนาแน่นไปด้วยโอสถนานาประการเกษาลักูดล้นแล้วไปด้วยเงินเมื่อฝนตกเป็นแม่น้ำไหลรวมไปสู่สาอนุดาลและเพราะพวกเขาเหล่านี้แวดล้อมชั่งงูเก๋งอยู่โดยรอบแสงจันทร์และอาทิตย์ ไม่ส่องลงไปยังสานุดาดโดยตรงจึงเกิดชื่อว่าอนโนตตะหรือไม่ถูกแสงส่องให้ร้อนสานุดาดนี้มีท่าสําหรับลงอาบของพระพุท ธ, ธพระปัิเจกพุท ธ, ธะและผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายและมีท่าสําหรับลงเล่นน้ําของพวกเทพและยักษ์เป็นต้นและที่ด้านข้างทั้งสีด้านมีมุกคือปากของแม่น้ำสีสายไหลออกไปชื่อว่าสีหมกุกหรือปากสีห์หัตถีมกุก หรือปากช้างอัสุมุกหรือปากมา้าอุสภมุกหรือปากโคผู้ที่ฝั่งแม่น้ําไหลออกจากสีหมุกมีสีหะอาศัยอยู่มากกว่าสัตว์อื่นที่ฝั่งแม่น้ําที่ไหลออกทางขดถีมุกอัสุมุกและอุสพมุกก็มีช้างมา้าและโคอาศัยอยู่มากกว่าสัตว์อื่นแม่น้ําที่ไหลออกทางที่ทตะวันออกไหลผ่านป่าหิมะผ่านด้านที่ตะวันออก และทิศเหนือไปสู่มาหาสมุทรไม่ผ่านถิ่นมนุษย์แม่น้ำจะไหลออกทางทิศ ต, วต ะ, ะตวันตกและทิศเหนือไหลผ่านป่าหิมะผ่านด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือไปสู่มาหาสมุทรไม่ผ่านถิ่นมนุษย์เช่นเดียวกันส่วนแม่น้ำที่ไหลออกทางด้านทิศใต้หรืออินเดียอยู่ทางใต้ไหลเวียนขวาสะาโนดาแม่น้ำที่กล่าวมาแล้วก็ว่าไหลเวียนขวาสะาโนดาก่อนเหมือนกันแต่เฉพาะแม่น้ำสายนี้ เรียกชื่อตอนนี้ว่าอาวัตตะคงคาแปลว่าคงคาเวียนแล้วไหลไปตามหลังแผ่นหินตรงไปทางทิศเหนือตอนนี้เรียกว่ากัณหาคงคงแปลว่าคงคาดําจนไปกระทบภูเขาพุ่งเป็นท่อน้ําขึ้นไปบนอากาศตอนนี้เรียกว่าอากาศคงคาแปลว่าคงคาในอากาศแล้วตกลงไปในอ่างหินชื่อว่าติยัคระเกิดเป็นสระใหญ่ ตอนนี้เรียกว่าติยัคคระโบคารณีน้ําพังฝั่งของสระโบคารณีนั้นซ่อหินลึกเข้าไปตอนนี้เรียกว่าปหนลคงคาแปลว่าคงคาหนาแล้วเสาะดินเป็นอุโมงค์ต่อไปตอนนี้เรียกว่าอุ ม, มะมังคคงคาแปลว่าคงคาในอุโมงคือแม่น้ำไหลใต้ดินจนไปกระทบภูเขาวขวางหรือติรฉานบนรรพชื่อว่าวิทยะ จึงแยกออกเป็นปัญจธาราคือทานน้ำห้าสายเช่นกับนิ้วมือห้านิ้วปัญจทาราเหล่านี้ไหลไปยังแดนมนุษย์เป็นแม่น้ำห้าสายคือคงคายามุนาอาจิราวดีสรพูมหีในชมพูติวีปหรืออินเดียในปัจจุบันในไตายภูมิพระร่วงเก็บเรื่องป่าหิมพานต์จากหนังสือต่างๆมารวมไว้จนดูเป็นป่า ท, ที่สลับซับซ้อนยิ่งนัก จะเริ่มนํามากล่าวโดวยสรุปดังต่อไปนี้เขาหิมพร้าวสูงใหญ่มากมายมียอดมากดังที่กล่าวไว้ว่าสูงห้ารอยยนดใหญ่สามพันยอดมียอด8ปดหมื่นพันยอดที่เชิญเขาหิมะพร้าว น, นั้นมีไม้ว่าหรือชมพูใหญ่ที่ฝั่งน้ําสีาทามทีไปเกิดทองคําอันเรียกว่าทองชมพูนด์ไทยเราเรียกว่าชมพูนดุดในที่อื่นกล่าวว่าบอทองกับคืนในที่ผลว่า ตกที่ฝั่งทั้งสองของแม่น้ําทั้งหลายที่ไหลผ่านต้นว่าใหญ่ไปจึงเรียกชื่อว่าชมพูนสดแปลว่าที่ฝั่งแม่น้ําต้นว่าโตจากป่ามะวันไปเป็นป่ามะขามป้อมถัดไปก็มีแม่น้ำมีป่าไม้ว่าแล้วจึงถึงป่าไม้นารีผลออกผลมีรูปเหมือนนารีอายุสิบหกปีเรื่อยไปทางตะวันออกจนถึงมหาสมุทรส่วนทางตะวันตกไปถึงแม่น้ําใหญ่เจ็ดนั้นถัดไปเป็นป่ามีชื่อทั้งหก เป็นที่อยู่ของพวกนักธรรมถัดป่านัางไปยังมีป่าไม้มะคุยในไตรภูมิพระรุ่งได้พรรณนาถึงแม่น้ำใหญ่ทั้งเจ็ดคือสากทั้งเจ็ดมีสอนุดาเป็นต้นได้พรรณนา ถ, ถึงภูเขาห้าลูกและล้อมรอบสอนุดาเขาคันธมาศมีท่าเป็นที่อยู่ของพระปัจเจกโพธิเวลากลางคืนเดือนดับมีแสงดังทานเพลิงเมื่อเดือนเพ่นอิสว่างดังไฟไม้ป่า ริมนอกสระทั้งเจ็ดมีบูนานาชนิดถัดไปมีป่าข้าวสาลีขาวข้าวสาลีแดงถัดไปมีป่าแตงชะแลป่าน้ําเต้าป่าแตงมิงป่าอ้อยป่ากล้วยป่าขนุนป่ามะม่วงป่ามะขวิดโดยลําดับสระฉับทางตะก็มีภูเขาล้อมรอบเจ็ดโล้แล้วด้วยทองแก้วหินเขียวดังดอกอัญชันผลึกรัตนะชาติหิงคุแก้วมรกต ตระกูลช้างฉัดทันเกิดอยู่ในที่นั้นริมนอกสะฉัดทันนั้นมีป่าผักตบป่าโบัวนาชนิดป่าจงกลนีและป่าบัวชนิดอื่นๆรอบนอกก็เป็นผักตบอีกมีข้าวสาลีมีหมู่ไม้ใหญ่มีป่าถั่วป่าฟักแฟงแตงเต้าป่าอ้อยป่ากล้วยป่าไม้รังป่าไม้ขนุนป่ามะขามป่ามะขวิดป่าไม้หลายพันหลายเหล่า มีภูเขาเจ็ดล้อมรอบเป็นชั้นสองในเขาไกลาลาดหรือเกลามีเมืองกินนอนกินนรีเขาจิตรกูดมีครูหาทองเป็นที่อยู่ของสุวรรณหงทั้งหลายในหนังสือดันั้นพรรณนาถึงสัตว์วิเศษในป่าหิมพานต์อีกหลายชนิดภาพ ป, ป่าหิมพานต์ประกอบด้วยภูเขาและต้นไม้นักสิทธิวิทยาธรและสัตว์ต่างๆมีเขียนไว้ในพระวิหารวัดสุทัศน์เทวราราม เป็นจิตกรรมที่น่าดูแสดงความคิดและศิลปะอันวิจิตในเวสันดรชาดกแสดงระยะทางเสด็จของพระเวสันดอนจันนครเจตุดอแห่งรับสีผีดังต่อไปนี้จันนครเชตุดอถึงภูเขาสุวรรณกริศตาละห้ายยนจากภูเขานั้นถึงแม่น้ำโกนติมาลาห้ายยอจากแม่น้ำนั้นถึงหมู่บ้านพรามตุณวิทนาฤทธันทะห้ายยอ จากหมู่บ้านพรามนั้นถึงมาตุลนครในรัเตเจตสิบโยต์รวมระยะทางจากกรุงเชตุดอนถึงรัฐนั้นเป็นสามสิบโยต์พญาเจตราชทั้งหลายจสดได้ไปส่งพระเวสสัมดอนจากมาตุลนครเป็นระยะทางสิบห้าโยต์แล้วทรงบอกหนทางที่จะเสด็จต่อไปอีกสิบห้าโยต์ผ่านที่ต่างๆดังต่อไปนี้เขาคันธมาศวิปูรบันพศแม่น้านเกตมดี ไม้ไทรมีผลวิเศษนาฬิกาบันพศสะมมุจลินอยู่ทางทิศอีสานของภูเขานั้นปา่าหมอกซึ่งเป็นป่าชัดสาโบคอรณีเวิ้งเขาวขักหดพระเวสันดอนต่บีน้อยในคำพีต์ต่างๆเองก็ยังกล่าวว่าเป็นที่อยู่เฉพาะของผู้มีฤทธิ์ฉะนั้นคนธรรมดาสา ม, มัญก็คงไม่กล้าเข้าไปใกลนะ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 กายที่ไม่ปรากฏแก่ตาคนสัตว์นรกและเปรตอสุรกายโดยมากก็เป็นจําพวกอุปาติกะเหมือนกันในเทวภูมิบริบูรณ์ด้วยความสุขอายุก็ยืนยาวแก่เจ็บไม่ปรากฏ ต, ตายก็ไม่ปรากฏซากจึงเห็นทุกข์ได้ยากผู้ที่เกิดเป็นเทพมักสวยความสุขเพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลาแต่ก็มีแสดงไว้ว่าไม่เคยมาเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมในบางครั้งบางคราวมักจะมาเฝ้าในเวลากลางคืนดึกๆ